ก็อนุญาตพาดูภายหลังให้จั้งใจปฏิบัตินะเรื่องศีลเรื่องธรรมอย่าให้ห่างไกลจากกายว่าจจใจของเราศัสจะเราเออกู๋กับพระธรรมพระวินัยอืพระวินัยธรรมก็อยู่พระวินัยก็ดีนี่แหลจะเป็นศัสจาของเถอทั้งหลายแค่เราแต่ขาดเมื่อเราล่วงไปแล้วนี่คือศัสจาเจ้าแต่พระธรรมพระวินัย ให้รักษาที่คำว่ากฎสันจะเข้ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกสี่ก้าทุกอียาบทใเจจะห่างเหนินจากธรรมจากวินัยหรือข้ามเกินธรรมวินัยมากน้อยแสดงว่าข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปไม่ใช่ของเป็นบุคคลเป็นของเดีวรด้นั่นจึงให้พระลูกหลานตั้งใจปฏิบัติสี่ทางเราบวชเป็นพระเราเป็นพระร้อยเปอเซนียียาของพระอจะให้ ความทุกขซึ่งเป็เรื่องโลกสงสารเข้ามาแปรเพื่อนเสียหายเราเองเมื่เอเราปฏิบัติตัวเป็นพระชีวิตของพระจริยาของพระเลิศอนไปตามหลักธรรมหลักวินัยเมียก็จะเป็นพระตลอดโลกเขาจะเป็นแรชงชาติเขาเราเป็นพระให้สมบูรณ์แบบตามหลักธรรมหลวินัยเป็นที่พอใจอกอุ่น <c oughs> เสียงใบสุดก็ดีแต่เสียงใบสุดเราอบอุ่นเราจะเห็นได้เวลาคับขันนะผมเคยมาเองแล้วนะเวลาคับขันเรายังไม่ได้สมาธิเป็นหลักเป็นเจนซึ่งเป็นส่วนธรรมนะเรามีกต่สิยงสมบูรณ์ของเราเต็มที่เวลาจะเป็นเข้าไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ในพวกสัตว์ป่าเสือร้ายู่เยอะ ในป่าเอาเอา น, นี้เลยไปจี้ตั้งสัตว์เสือไม่วิเศษกว่าส่ะขึ้นตรงนั้นนะ อ, อืสัตว์เสือมันจะมากินคนทั้งคนซึ่งมีสีงเต็มตัวนี่ได้อะไรเอาจรินถ้ากินก็กิงเลยถ้าว่าเสือวิเศษกว่าศีง ก, กว่าทำภายในตัวของเราที่รักษาและเทิดทูนอยู่นี่เอาเอาจรินอันนี้นะมันตัดสิงกันนะอืมเอากิง ถ้าหาว่าเสื อ, อยังเป็นเสือจักยเป็นสัตว์สิงห์ทมยังเป็นสิงห์ทำเห น, เนือโลกเดือดสาอยู่แล้วอย่ามาถึงสะละเล ย, ะละ เ, ลยเดินกรงกรมได้อย่างสะดวกสบายในท่ากลางป่าเสือเสียง ม, มันก็หม่มก็ห่มอยรอบทางตรงกรมปล่อยเลยอืมหรือว่าสิงห์ทำนี่ตัวของเราดีเลิศ ก, กว่าเสือเสือกินไม่ได้ถ้าเสือกิง น, นี่เสือก็ลงนรกเราก็ไปสวรรค์ไม่สงสัยกล้าหากะจิกกั ที่นีไม่กลัวอยู่ซ้ากลางเสือนะ่ะก็คืนมันร้องกระหึ่งไปตามภาษาของเขาเนี่ยเขาไม่มาอะไรเราเนี่ะผมก็ไม่เคยเห็นเสือมาทำท่าทำกล า, า, า, างใส่ผมไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ป่าเสือเวลาโดยจักรกลขึ้นมาอรอยมันผ่านทางงกลมผ่านไปที่เราผับ มันก็ผ่านไปเขาเขาเองเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราเราก็อยู่ของเราเรื่อยงาด้วยความมั่นใจในเรื่องศีลธรรมนี่เป็นของวิเศษกว่าศักดิ์นั่นเรารักษาศีลธรรมและรักษาวิเศษที่มีอำนาจมากกว่าศักดิ์ประสาเสือมันมีอำนาจอะไรชาติกินได้ลงงคอก็เอากินไปเพราะว่างนันต่อยเลยนะไม่มีกลัวเดินโยกลม ท้องตาเสือก็หึงก็หึงเขาเที่ยวหาจินตามภาษาเขาเ่ยเขาไม่ทำดามเราเ่ะแต่เราก็ไม่กลัวเพราะเราเชื่อสินเชื่อมอบแล้วก็สินเชื่อแล้วว่าเลือดกับเสือสินทำไม่ใช่อาหารเสือเนี่ยพวกเนื้อพวกปลาพวกสัตว์ต่างๆเป็นอาหารเสือสินทำไปไม่ใช่เสือเราเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังก็ตามแต่เป็นเนื้อหนังของผู้รักษาสินทำสีเสือจินเราตกได้ือเราไม่ตก นี่เวรเงั้นนะตัดสินใจหานนะกล้าหานฉานใจอยู่ซ้ำต่างเสือไม่กลัวนะนี่แหละการปฏิบัติเสือสารมันแน่ใจอยู่ในใจเจ้าของนะไม่กลัวจริงอืมนึ่งจะก็ะหมืมกระหืมก็เกฉยไม่สนใจนั่นเสือเป็นเสือทําไป็นทำอยู่ในเราตัวของเราที่เป็นทำทั้งหมดนี่มันก็กล้าหาน <c oughs> เป็นได้นี่แหละเราได้เห็น จ, จริงเทียงสีเจ้านี้ก็พอ เรารักษาสีลเต็มหัวใจเรากลายว่าใจของเราเป็นสีเป็นธรรมทั้งนั้นทำเราก็ำลังปฏิบัติอยู่เี่ยเสือไม่มีสีมีธรรมมากินเราได้ลงคอเลอเอากินก็กินไปอืเสือสู้สียู่ธรรมสีธรรมไม่ใช่อาหารเสือะอืสัตว์เนื้อสัตว์ต่างๆเป็นอาหารเสือเราผู้ทรงศีของธรรมเนื้อหนังของเราก็เป็นเนื้อหนังของสีของธรรมเอาเสือจะกินได้ลงคอก็กินไป เปิดเลยต่อยเลยเดินนุกลมสบายง่นเป็นอย่างไร น, นะนี่ผ่านมาแล้วนะที่เป็นเรื่องนี้ผมเคยผ่านมาแล้วสองร้านนะ <c oughs> นาาใจของเรามุ่งจอดตอทำเอาอัดเอาทำเป็นหัวใจเป็นชีวิตจิตใจจริงๆแล้วมีอํานาจอ่ะใจเรามีอํานาจนะมีที่แรกมันขยะขยะรู้สึกกลัวสอน เสือสอนตัวเองแบบนี้นะจากนี้แล้วเมื่อสอนตัวเองก็เป็นความถูกต้องโดยทําแล้วก้าวเดินสละเลยชีวิตเอาไม่กลัวนะ่ะเสือก็คือ น, นี้เฉยเลยนะนี่อํานาจของจิตเวลารวมกันเข้าเต็มตัวนี้นี่มันเกิดความกล้าหาญช่างชัยแม้ที่สุดเสือจะเดินเข้ามาหานี่มันจะเดินเข้าหาเสือได้เลยทั้งทั้งที่ขณะก่อนมันกลัวนะพอเราประมวล จิตใจของเราลงเข้าสู่ทำฝากเป็นฝากตายกับธรรมแล้วกล้าหาญชาชัยขึ้นมาไม่มีกลัวอะไรเลยถึงขนาดที่ว่าในโลกนี้เราได้คิดกลัวอะไรบ้างเอามีไหมไม่มีเลยนู่นถึงขนาดนั้นแล้วมันจะไปกลัวอะไรนี่แหละอานาจของธรรมถ้ากลุงกืนกับใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วจะกล้าหาญมากเดียวจะส่วนเสือจะทําลายเรากินเราได้หรือไม่นั้นมันไม่สนใจแต่ความกล้าหาญทั่วเสือทั้งตัวไปเลยไม่ได้กลัวนะ นี่ผมเคยทําแล้วกล้าหารขนาดได้เนี่ยวขอให้ทำเข้าสู่ใจเถอะมันจะมีอํานาจขึ้นมาทันทีทันทีในเวลาแรกมันก็เป็นขนาดกอดมันกลัวนะพอขนาดหลังอบรมจิตใจเข้าสู่ธรรมธรรกับใจเข้าไปละเดียวกันแล้วมีกํลาลังกล้าก่ะไม่กลัวเลยเสือก็หึงก็หึงนิเฉยไม่สนใจเลยนั่นอํานาจของธรรมเป็นประจักษ์เห็นประจักษ์ในใจอประจักษ์อยู่ที่ใจเนี่ย ใครไม่เห็นก็ตามเราเห็นคนเดียวรูปคนเดียวเราเชื่อเราคนเดียวตายแล้วก็ไม่เราก็ไม่เสียดายตายด้วยความเชื่อธรรมัมนชีพหายใบปลัใตายด้วยเชื่อจิเล่นนิจมได้นะนี่แหละกันบัณท่านทั้งหลายคอยพากันภาวนาบ้างนะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์พิเศษนี้จะอยู่ที่ใจภาวนานะรูปร่างของเราที่บวชขึ้นมาเป็นพระนี่ก็เป็นรูปร่างของพระ กายวาจาใจก็ให้เป็นพระแต่ั้นใจเขาเราให้เป็นพระด้วยสีด้วยธรรมภาวนาจิตใจให้สงบโลกเยน็นไปไหนสง่างามล่ะใจสง่างามภายในตัวอย่างเดียวฉทนั้นไปไหนสง่างามไปหมดใครจะตำหนิติชมเป็นพระขี้รุงขี้ก็ตาธรรมชาตินี้ไม่ได้เป็นอไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกกับดวงสารที่จะว่าจะหองจะหอนยายก็ตาไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับธรรมกับใจเป็นเดียวกันสง่างามให้ ในลูกหลานพากันไปภาวนาบ้างนะเราจะได้เห็นมรโขนิพผานว่าอยู่แค่ไหนทุกวันนี้มรโขนิพผ่านเหมือนกับว่าสูตรเอื้มนะอมเราละมรโขนิพผานสมัยนั่นพระพุทธเจ้ายังกองพระชนอยู่ ย, ยังทรงพระชนอยู่มรโขนิพผานก็มีสมุนเวลานี้พระองค์มีผ่านไปแล้วเหมือนกับว่าเอามรโขนิพผ่านไปเลยก็ศีลสมาธิปัญญาธทำได้ที่ไหนเป็นศาจจะาของเราทั้งหลายอยู่แล้วจะพลากไปไหน เราปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยก็คือตามเสด็จพระพุทธเจ้าทั้งองค์นั่นเองไปที่ไหนเมื่อสเสด็จพระจะตามพระพุทธเจ้าทั้งองค์มักขุนยิ่วัญจะห่างไกลจากเราไปที่ไหนให้บาคันเต้าหูตั้งใจนะให้ภาวนาให้เห็นความสว่างของใจความสง่างของใจเราจะเห็นในตัวของเราเองโลกธาตุนี้ไม่หวันกับอะไรนะถ้าลงใจจะทำเป็นอันเดียวก็จะครอบหมดโลกธาตุนะอืึไม่มีเรื่องสมมุติ ที่มูราที่ใบแห้งเข้าไม่ถึงเลยถ้าลงใจได้สง่าขึ้นมาแล้วครอบหมดเลยนี่จะไว้การภาวนาาถ้ า, ถ า, ถาอยากจะรู้จิตความสง่างามของใจเราความแปลกประหลาดอัศาจรรย์ในตัวเขาเราให้ยังลงภาวนานะการภาวนานีสำคัญมากทีเดียวผมก็เรียนมาเหมือนท่านทั้งหลายนั่นแหละ เรียนมีตั้งแต่ความจำมันก็ไม่ได้เรื่องได้เล่าสงสัยมะขวะที่ผ่านทั้งๆที่เรียนอยู่ในมะขวะที่ผ่านเรียดอยู่มันยังสงสัยได้ส่วนใหญ่เชื่อแต่ส่วนย่อยมันบอกมะขวะที่ผพานมีอยู่หรือไม่นานันมันยังไม่ปฏิบัติพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปทีนี้มันปรากฏทําขึ้นภายในใจภายในใจี่นี่มะขวะที่ผ่านอ่แล้วที่นี่เหมือนกับว่าอยู่ในนี้ในนี่เรื่อยสที่ขยับเลยมะขวะมีหรือไม่มีมะขวะที่ผ่านมีไม่สนใจเลย นิพพานสุดท้ายอยู่ชั่วเอื้อบชั่วเอื้อบขยับเรื่อยไปเลยจกนกระทั่งถึงความมุ่งหมายไม่มีที่สงสัยแล้วมรรคนิพพานอยู่ที่ไหนถามหาอะไรเท่านั้นเองถามหาอะไรขอให้ทำกับใจเป็ น, นเดียวกันเท่านั้นไม่ต้องถามหามรรคนิพพานหมดสงสัยสงหมดสงสัยในบุทคลเจ้าทุกโองค์ด้วยทําทั้งหลายมาหาสงสัยที่ทํากับใจเปน็นเดียวกันนี่หายสงสัยเลยเพียงขอให้พระลูกกันหลานนําไปปฏิบัติ นิจตภาวนาเป็นน้ำคันมากนะอืมภายนอก โ, กโกรคสงสารมันหลอกกันไปอย่างนั้นแ่ะอันนั้นไปอย่างนั้นอันนี้เปลยนนี้เห็นก็ตื่นแล้วก็ตื่นตามเขาเราเป็นพระอืมครองอัดคลองทำซึ่งเลือดก่อสิงทั้งหลาย ย, าย่าให้มู่เห็ดคูดซึ่งเป็นเรื่องโรคโงสารเข้ามาเกี่ยวกับเราได้ธรรมของเราที่ปฏิบัติอยู่นี่เลือดก่อสิงทั้งหลายอยู่แล้วอย่าไปเสาะแสวงหามันยิ่งกว่าทำถ้ามีทำในใจแล้วพอหมดทุกอย่าง สิ่งนั้นต่ำกว่าทำทั้งนั้นทั้งนั้นอย่ะเอาละแยกเลยอา้าเลากันกาบชาพอแล้วนี่ละวันนี้เดีวมาเยี่ยมเออเอาละ่ะ